กระจกวิเศษกะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วบนถนนที่สวยงามของแกรนาดามีข่าวลือที่คุยกันไปทุกทีโอ้มันน่าเศร้ามากเป็นชายรูปงามแต่ไม่มีแหวนแต่งงานโอ้ให้ตายเถอะเขาจะมีวันเลือกคู่ไหมผู้หญิงในแกรนาดาไม่มีดีพอเลยเหรอ บอกฉันสิที่รักเขาจะอยู่คนเดียวตลอดชีวิตอย่างนั้นเหรอไม่ไม่อย่าพูดเรื่องน่ากลัวแบบนั้นเขาสมควรได้คู่แล้วเราต้องได้พระราชนี้มาอธิษฐานให้พระราชาของเรากันเถอะให้เจ้าสาวสุดสวยของเขาได้เห็นเขาสักทีหนึ่งอ่า พระราชาของเราเป็นคนใจกว้างฉันมั่นใจว่าเขารอผู้หญิงที่เหมาะสมกับเขาแต่ว่าใครจะเป็นผู้หญิงคนนั้นสำหรับพระราชาของเราละ่ะคำถามเหล่านี้ได้รบกวนชาวแคนาดาทุกคนฟาบาทผู้หญิงทุกคนจะโชคดีมากถ้าได้ท่านเป็นเจ้าบ่าวฉันไม่ต้องการผู้หญิงที่โชคดี ผู้หญิงที่แต่งงานกับฉันจะต้องเป็นพระราชินีของแกรนาดาเธอต้องมีบุคลิกที่เข้มแข็งเธอต้องมีความรักมากพอให้กับตัวเองและทั้งแผ่นดินของเราเธอต้องรู้จักให้อภัยและใจดีตทฟาบาทเราจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้หญิงคนนั้นจะมีคุณสมบัติเฮ้ยนั่นแหละปัญหา ฉันจะแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่มีจุดด่างที่หัวใจของเธอเ อ, อ่อข้าว่าเราสามารถรู้จากรายงานสุขภาพได้อะไรนะดันแคนฉันไม่ได้หมายถึงจุดด่างจริงๆฉันหมายถึงเธอต้องมีจิตใจที่บริสุทธิโ์โอ้แน่นอนผมรู้อยู่แล้วข้าว่าเราต้องมีเวทมนต์เพื่อช่วยเรานะขอรับ พระราชามีปัญหาจริงๆตอนนี้เราต้องการเวทมนต์มาช่วยเรานะขอรับเขาได้ตัดสินใจเรียกประชุมช่างตัดผมที่เขาไว้ใจเอมิลีโอให้เข้ามาที่วังในวันรุ่งขึ้นเอมิลีโอฉันต้องการความช่วยเหลืออ๋อ บอกฉันหนะ่ Emily, อยเอมิลี่เออจะเกิดอะไรขึ้นกับแผ่นดินของเราถ้าไม่มีพระราชิ น, นีทำไมถึงถามคำถามแบบนั้นล่ะคุณผู้หญิงทำไมฉันจะไม่ถามล่ะพระราชาของเราไม่มีวีแววที่จะเลือกภระยาให้กับตัวเองโอ้การเลือกภรรยาให้เขาเป็นปัญหาของฉันนะหมายความว่าอะไรออหลังจากที่รอมาเป็นปี พระราชาก็ในตัดสินใจจะใช้กระจกวิเศษแล้วกระจกวิเศษเหร อ, อใช่ได้เห็นไมมว่าฉันมีกระจกวิเศษที่ฉันเจอในถ้ามเมื่อปีก่อนแค่พระราชาที่รู้เรื่องนี้และเขาก็ไว้ใจฉันตอนนี้เขาไว้ใจให้ฉันหาเจ้าหญิงที่เหมาะสมให้กับเขาด้วยละ มันจะโชว์ให้เห็นว่าใครเป็นเจ้าสาวเหรอแล้วตอนนี้เจ้าสาวอยู่ไหนมันจะบอกอนาคตไหมไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นมันจะโชว์บุคลิกที่แท้จริงของคนที่ส่องกระจกถ้าคุณไม่มีจิตใจที่สะอาดทันทีที่คุณส่องกระจกหน้าของคุณจะลอยด่างขึ้นมาและพระราชาได้ตัดสินใจที่จะแต่งงานกับผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบ ก็คือคนที่ส่องกระจกแล้วไม่มีรอยด่างขึ้นมาที่หน้างั้นผู้หญิงที่รวยและเดี๋ยวรับการศึกษาจะเป็นผู้ที่สามารถส่องกระจกได้ใช่ไหมมันไม่มีข้อจำกัดใดว่าใครสามารถส่องกระจกได้มีข้อแม้เพียงอย่างเดียวคือผู้หญิงคนนั้นต้องมองไปที่กระจกข่าวกระจายไปไวเหมือนไฟไหม้ทุกๆวันผู้หญิงจะเข้ารวมตัวกันที่ร้านตัดผม เพื่อที่จะดูว่าใครกล้าส่องกระจกวิเศษเวลาผ่านไปไม่มีใครกล้าเข้าไปผู้หญิงไว้ผมยาวขึ้นเรื่อยเพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่ต้องเข้าไปในร้านตัดผมเพราะพ่อชาวกรนาดาไม่พอใจกับลูกสาวของพวกเขาฟิโอน่าทำไมไม่ลองดูล่ะแล้วก็จะมีจุดด่างดาบนหน้าสวยๆของหนูนะเหรอไม่กับพ่อหนูทำไม่ได้ ลูกไม่คิดว่าตัวเองมีจิตใจที่บริสุทธิ์เหรอเ อ, อ่อไม่คะ่ะหนูหมายถึงใช่เอ อ, อพ่อคะหนูตัดสินใจว่าจะไม่แต่งงานตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรนะใช่แล้วค่ะพ่อหนูจะอยู่กับพ่อตลอดไปเลยโอ้หนูรักพ่อคะ่ะน่าแปลกใจที่ฟิโอน่าไม่ใช่เพียงคนเดียวที่ตัดสินใจว่าจะไม่แต่งงานผู้หญิงในแกรนาดา จะอยู่เป็นโซตตลอดชีวิตดีกว่าที่จะแต่งงานกับพระราชาผู้หญิงบางคนกลัวในการที่จะมองกระจกพวกเขาเลยปฏิเสธที่จะมองกระจกธรรมดาเหมือนกันการกลัวจุดด่างดำบนใบหน้าไม่ได้หยุดแค่นั้นมีรายงานว่าผู้หญิงบางคนหยุดการใช้ช้อนความกลัวแม้กระทั่งภาพสะท้อนของตัวเองโอ้ ใช้มือกินดีกว่านันเนี่ยแต่คุณผู้หญิงนี่มันบะหมี่นะโอ้ใครสนละ่ะฉันชอบบะหมี่ฉันจะใช้มือนี่แหละดูฉันนะ <c oughs> โอ้ไม่มีผู้หญิงคนไหนเข้าร้านตัดผมตอนนี้ช่างตัดผมตัดแต่ผมผู้ชายบอกฉันหน่อยว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนกล้าที่จะสอกกระโจกเลยเหรอไม่มีเลยท่านนั่นมันแย่มากต้องนานเท่าไหร่ฉันจะได้แต่งงานเนี่ย อะไรนะทำไมนายถึงจะไม่แต่งงานล่ะแม้แต่ฉันก็อยากจะแต่งงานกับผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบเฮ้ยนั่นมันแย่มากคุณสมบัติพวกนี้มันยากมากนะรอฉันจะหาเจ้าสาวของฉันเจอไหมเนี่ยเ อ, อ่ท่านฝ่าบาทผมรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งและเธอก็ไม่อาย ที่จะส่องกระจกวิเศษนี้ด้วยแต่ว่าเธอคื อ, อ, อใครบอกฉันมาคนเลี้ยงแก่เอมิลีโอนายเสียสติไปแล้วเหรอคนเลี้ยงแกะ่จะเป็นราธิ尼ของแคนาดานายกล้าดีได้อย่างไรทำไมคนเลี้ยงแกะ่จะเป็นราธินีไม่ได้ ถ้าเธอมีคุณสมบัติที่จะเป็นราชนีแล้วแม้ว่าเธอจะเกิดในครอบครัวคนเลี้ยงแก่ก็ไม่ควรจะหยุดเธอไว้จำไว้ดันแขนคนที่จะเป็นผู้นำมักจะมาจากครอบครัวที่เอาน้อมถ่อมตนเอมิลยโอไปหาเธอและนาตัวเธอมาวันที่คนเลี้ยงแก่ถูกนำตัวมาที่วังเป็นวันที่ชาวรคนาดารอคอยข่าวได้กระจายไปทั่ว ทุกคนจึงมารวมตัวกันที่วังทุกคนเต็มไปด้วยความสงสัยและเสียงพึมพำท่านรอชัดจะเอาคนนี้มาเป็นลูกชายได้ทำไมก็เอาคนเี้ยงแกะมาได้แบบนี้ได้อย่างง่กันเนาะคนเลี้ยงแกะมาถึงและเดินเข้ามาอย่างระมัดระวังเธอกลัวและกังวลที่เห็นผู้คนมากมายที่มารวมตัวกันไม่โปรดไม่ต้องกังวลผู้หญิงของฉันบอกฉันเธอไม่กลัวเหรอที่จะมองกจะวิเศษ เธอไม่กลัวหรอว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเธอได้ทำผิดในอดีตและเธอไม่มีจิตใจที่บริสุทธิ์หน้าของเธอก็จะมีจุดดานน่างดาให้เห็นเออฉันเข้าใจคาฟาบาตแต่ฉันเชื่อว่าการทำผิดพลาดนั้นมันคือส่วนหนึ่งของมนุษย์เราฉันเชื่อว่าฉันทำผิดพลาดและแตัดสินใจแย่ๆไปบ้างแต่ฉันเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของฉัน และตอนนี้ฉันก็ยังเรียนรู้อยู่ค่ะและฉันก็ไม่อายด้วยในข้อบกพร่องของฉันฉันยอมรับมันมันทำให้ฉันเข้มแข็งขึ้นขณะที่พูดอยู่คนเลี้ยงแกะคงคำนับพระราชาและเดินมาที่หน้ากระจกทุกคนในวังมองด้วยความเงียบตาสีฟ้าและผิวที่สวยงามของคนเลี้ยงแกะดูสวยงามในเงาสะท้อน เธอเดินถอยออกมามองพระราชาและเห็นพระราชามองเธอด้วยความเอ็นดูแรนาดาได้พระราชินีแล้วแรนาดาได้พระราชินีแล้วในพระราชวังต่างดีใจมากแต่ก็มีเสียงแหลมดังขึ้นมาเดี๋ยวก่อนสิฉันก็อยากจะส่องกระจกบ้างตอนนี้ฉันพิสูจน์ได้ว่าไม่มีเวทมนต์ใดๆมันคื่เรื่องโกหก ข้อตกลงก็คือข้อตกลงเราได้ให้โอกาสทุกคนเท่ากันที่จะซองกระจกนี้แต่ก็ไม่มีใครกล้าพอที่จะทำไม่ว่ากระจกจะมีเวทมนต์หรือเป็นเพียงเรื่องเล่าเธอก็ควรที่จะซองกระจกเมื่อเธอมีโอกาสนะท่านพูดถูกฟาบาทให้อภัยฉันด้วยกับการการะทำของหม่อมฉัน พระราชนีจะไม่มีวันลืมติ่งที่ท่านพูดเราไม่สมควรจะซ่อนความผิดของเราเราควรจะยอมรับมันแ ล, ล้วเรียนรู้จากมันเมื่อเราให้อภัยตนเองเราจะยอมรับความผิดพลาดของคนอื่นและให้อภัยพวกเขาได้เหมือนกันตอนนั้นเรามีจิตใจที่บริสุทธิ์และหัวใจของท่านก็บริสุทธิ์ที่สุดแกรนน า, าจะเป็นเกียรติอย่างมากที่จะมีพระราชนี พระราชามีความสุขที่เจอเจ้าสาวของเขาพิธีการแต่งงานเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่รคนาดามีประชาชนได้เต้นและมีความสุขที่พวกเขาได้เจอพระราชนีที่มีความพยายามและใจกว้างและกระจกวิเศษนั้นไม่มีใครรู้ว่ามันมีเวทมนต์จริงไหมเวทมนต์ที่ดีที่สุดคือสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเราจบบริบูรณ์